ราวของบ้านผีสิงบ้านผีเฮี้ยนหรือว่าบ้านผีดุมีให้ได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆเป็นเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะได้ยินมาจากไหนเชื่อถือได้มากน้อยอย่างไร แต่ว่ากับเรื่องราวที่เราจะนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงของตัวเองแต่ว่าผู้ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือท่านหนึ่งซึ่งมั่นใจได้ค่ะว่าคงไม่ได้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อหลอกเด็กอย่างแน่นอนเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่อําเภอบ้านเพจังหวัดระยองเมื่อราวยีปีที่ผ่านมา ซึ่งตอนนั้นนะคะผู้ที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้รับราชการอยู่ที่กรมเจ้าท่าอย่างเช่นในปัจจุบันค่ะภายหลังจากเรียนจบมาหมัดหมดนะคะผู้ที่เล่าอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆก็ได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนเพื่อฉลองการศึกษาโดยเดินทางกันไปทั้งหมด5คนเป็นผู้หญิงสองผู้ชาย3แล้วก็คนที่เจอดีเข้าแบบเต็มๆก็คือ1ในกลุ่มซึ่งเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าดาวนั่นเองนะคะ เมื่อเดินทางไปถึงอำเภอบ้านเพจังหวัดระยองค่ะผู้ที่เล่าเรื่องเนี่ยก็ได้เข้าพักที่บังกะโลตากอากาศหลังหนึ่งซึ่งปลูกเรียงรายกันอยู่บริเวณชายหาดสวยสะอาดตา โดยบ้านบังกะโลหลังนี้นะคะปลูกอยู่เป็นหลังสุดท้ายค่ะแล้วก็ห่างไกลาจากบ้านหลังอื่นๆแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็พร้อมใจกันที่จะเลือกเช่าบ้านหลังนี้เป็นที่ค้างแรมก็เพราะว่าช่วงนั้นทุกคนยังอยู่ในวัยรุ่นวัยคะนองก็เลยอยากพักผ่อนกันแบบอิสระไม่ปะปนกับใครและที่สําคัญก็คือกลัวว่านักท่องเที่ยวคนอื่นๆเนี่ยอาจจะราคาญเสียงของพวกตนเนื่องจากว่าแต่ละคนนะคะสนแล้วก็ทะลึ่งตึงตังไม่มีใครน้อยหน้ากว่าใครนะคะ หลังจากติดต่อเช่าบ้านหลังดังกล่าวแล้วก็จ่ายเงินค่าเช่าเรียบร้อยแล้วก็พากันขนข้าวของแล้วก็สัมภาระเข้าไปไว้ในตัวบ้านแล้วก็ทันทีที่เข้าไปเนี่ยก็ได้พบกับแมวตัวหนึ่งซึ่งสวยมากนอนอยู่ที่ระเบียงบ้านพักแมวตัวนี้สีสวยสะดุดตาจนทําให้เพื่อนของผู้ที่เล่าเรื่องเนี่ยนะคะที่ชื่อดาวรู้สึกชอบมากๆเธอก็เลยเข้าไปจับแมวเล่นไปอุ้มแมวเล่นซึ่งมันก็ยอมให้จับแต่โดยดีไม่หนีไม่แสดงอาการหวาดกลัวใดใทั้งสิ้น ผู้หญิงคนที่ชื่อดาวก็เลยบอกว่าอยากได้แมวตัวนี้ไปเลี้ยงตอนขากลับจะเอามันไปอยู่ด้วยโดยไม่สนว่าเพื่อนๆจะไม่เห็นด้วยหรือว่าจะพยายามพูดจาทัดทานอย่างไรซึ่งมันไม่เป็นผลนะคะดาวตั้งใจจะเอาแมวตัวนี้กลับไปด้วยจริงๆค่ะโดยระหว่างที่พักอยู่ดาวบอกว่าจะเอาแมวตัวนี้ขังไว้ในห้องนอนเพื่อไม่ให้มันหนีไปไหนเมื่อดาวยืนยันอย่างนั้นกลุ่มเพื่อนๆก็เลยเอออ่อนใจปล่อยเลยตามเลยละกัน และเมื่อขนข้าวของเข้าไปเก็บไว้เรียบร้อยแล้วก็ได้ชักชวนกันไปหาซื้อข้าวปลาที่ตลาดเพนะคะเพื่อนำมากินกันทุกอย่างก็ดำเนินผ่านไปด้วยความเรียบร้อยจนกระทั่งตกค่าค่ะหลังจากที่ทำอาหารเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็พากันมานั่งดื่มกินที่ชายหาดต่างก็สนุกสนานกันอย่างเต็มที่เพราะว่านานๆจะมีโอกาสมาเที่ยวแบบนี้สักครั้งหนึ่ง พอประมาณเกือบเที่ยงคืนดาวเองก็ขอตัวกลับเข้าไปนอนที่บ้านพักโดยมีเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงเดินไปส่งหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ดาวอยู่เพียงลําพังกับแมวตัวนั้นภายในห้องนอนที่จัดไว้เป็นที่นอนของเพื่อนผู้หญิงสักพักใหญ่ๆนะคะผู้ที่เล่าเรื่องแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยกำลังสนุกสนานกันอยู่ที่ชายหาดก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากบ้านพักซึ่งเสียงหวีดร้องนั้นทุกคนจําได้ดีว่าเป็นเสียงของดาวที่กรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียง ราวกับว่ากำลังตกอยู่ในความหวาดกลัวแบบสุดขีดทุกคนก็เลยต้องรีบวิ่งกลับไปดูด้วยความเป็นห่วงค่ะพอไปถึงบ้านพักทุกคนก็ได้เห็นภาพของดาวที่กำลังร้องแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายอยู่บนที่นอนสองมือของดาวกำลังกำลังำคอของตัวเองอย่างแน่นไม่ยอมปล่อยตาก็เหลือกหน้าก็ซีดนะคะซึ่งผู้ที่เล่าก็เลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยแกะมือดาวออกจากลาคอแต่ว่ามันน่าประหลาดมากที่บอกว่า ไม่รู้ว่าไปเอาเรียวแรงหรือว่าพละกําลังมาจากไหนแบบมหาศาลเลยนะคะทั้งที่เป็นเพียงผู้หญิงร่างเบา บ, บางแล้วก็ดูออกจะขี้โรคด้วยซ้ําแต่กําลังของคนที่เล่าเรื่องนี้เป็นผู้ชายก็ไม่สามารถจะแกะมือของเธอออกมาจากลําคอได้ก็เลยร้องให้เพื่อนๆบอกว่ามาช่วยกันก่อนที่เพื่อนตัวเองเนี่ยจะตายไปด้วยน้ำมือของตัวเองซะก่อนเพื่อนๆทั้งหมดก็เลยรีบกระโจนขึ้นเตียงไปช่วยแล้วก็ต้องพยายามอยู่ครู่ใหญ่จึงแกะมือของดาวมาได้สําเร็จค่ะ แต่ว่าแกะมือออกมาจากลาคอได้แล้วร่างของดาวก็ยังคงไม่สงบนิ่งเธอยังคงดิ้นพลาดพลาดแบบทุรนทุรายไม่ยอมหยุดนะคะร่างทางร่างของดาวก็เกรงตาก็เลือกคนที่เล่าเรื่องกับพเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องช่วยกันกดร่างของดาวให้ตรึงอยู่กับเตียง โดยสองคนจับแขนคนละข้างแล้วก็พู้เล่านะคะก็ขึ้นคล่อมบนตัวแล้วก็กดไหล่เอาไว้แต่ก็พยายามจะดิ้นอยู่ตลอดเวลานะคะตอนแรกทุกคนก็คิดว่าดาวอาจจะนอนละเมอแต่ว่าเพื่อนคนหนึงกลับแย้งว่าคงไม่ใช่อาการแบบนี้เนี่ยเขาเคยเห็นมาก่อนแถวบ้านซึ่งมันเป็นอาการของคนที่ถูกผีเข้าสิงพอเพื่อนพูดถึงเรื่องที่ไม่น่าพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องสางทุกคนก็เลยเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาค่ะ เพื่อนของผู้ที่เล่าเนี่ยก็เลยลองเอาพระมาคล้องที่คอพอคล้องเข้าไปที่คอดาวนะคะวินาทีนั้นนั่นเองเพื่อนๆทั้งหมดก็ต้องสะดุ้งแล้วก็พังงะกับเสียงกรีดร้องที่ดังขึ้นอีกคารบหนึ่งก่อนจะพูดออกมาบอกว่าเสียงแหบๆคล้ายกับคนแก่บอกว่ากูจะเอามันไปกับกูเสียงที่เปล่งออกมานั้นทุกคนได้ยินและมั่นใจทันทีว่าดาวถูกผีสิงแน่นอนนะคะก็เลยพูดออกไปด้วยความเกลี้ยกล่ดค่ะถามผีบอกว่ามึงเป็นใคร อย่ามาลองดีกับกูดีกว่าพ่อกูน่ะปากผีมาเยอะแล้วพูดจบค่ะเขาก็เอาพระนี่ยัดใส่ปากดาวดาวก็ดิ้นอยู่ครู่หนึ่งก็สงบลงแล้วก็หมดสตินะคะนอกจากนั้นกลุ่มเพื่อนๆก็เลยปล่อยให้ดาวนอนหลับพักผ่อนโดยได้ออกมานั่งปรึกษาหารือกันอยู่ที่นอกห้องผู้ที่เล่าเรื่องแล้วก็เพื่อนๆ เ, เนี่ยได้ถามกันบอกว่า ทำไมกล้าขนาดนั้นก็เลยได้รับคำตอบบอกว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยพ่อเขาเป็นคนทรงแล้วเขาก็เคยตามไปดูพ่อทำพิธีขับไล่ผีมาหลายครั้งแล้วก็เลยพอรู้ว่าอาการของดาวเนี่ยน่าจะเป็นอาการถูกผีเข้าไม่ใช่การนอนละเมออย่างที่คิดนะคะ หลังจากที่ได้นั่งปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรต่อไปซึ่งในที่สุดก็ได้ข้อสรุปค่ะว่าควรจะไปเล่าเหตุการณ์ให้กับเจ้าของบ้านพักฟังเผื่อว่าเขาอาจจะช่วยเหลืออะไรได้ก็เลยให้เพื่อนคนนึงนะคะไปตามเจ้าของบ้านพักมาส่วนที่เหลือก็คอยเฝ้าดูอาการของดาวซึ่งระหว่างที่เพื่อนออกไปตามเจ้าของบ้านพักนะคะก็ได้ยินเสียงดาวร้องขึ้นมาอีกคราวนี้เนี่ยร้องดังกว่าครั้งก่อนซะอีกซึ่ง เพื่อนทั้งหมดนะคะที่นั่งเฝ้าอยู่ก็วิ่งเข้าไปดูก็พบว่าดาวนี่กำลังดิ้นพลาดพลาดอยู่เพื่อนๆก็ช่วยกันขึ้นไปบนเตียงแล้วก็ทําท่าจะจับไว้ก็ปรากฏว่าร่างของดาวนะคะได้กระเด้งตัวขึ้นมายืนพร้อมกับจ้องมองไปที่กลุ่มเพื่อนๆด้วยสายตาที่ดุดันก่อนจะพูดว่ามันจะเอาแมวของกูไปกูไม่ให้แล้วกูจะเอามันไปด้วยแล้วก็จ้องหน้ามายังกลุ่มเพื่อนๆนที่ยืนอยู่นะคะเพื่อนคนเดิมก็เลยบอกว่า อย่าไปทำอะไรเขาเลยแล้วจะบอกให้ว่าไม่ให้เอาแมวไปไม่ต้องห่วงไม่เอาแมวของเขาไปแน่นอนแต่อย่าทำอะไรอีกเลยเพราะว่าดาวเนี่ยเขาไม่ค่อยแข็งแรงขอให้ออกจากร่างเข้าไปซะวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างของดาวไม่ได้พูดอะไรต่อแต่ว่าทำท่าเหมือนจะเรียกเจ้าแมวตัวสวยที่นอนอยู่ตรงมุมห้องซึ่งน่าแปลกมากค่ะคุณผู้ฟังที่แมวตัวนั้นเนี่ย ก็วิ่งเข้าไปหาดาวเหมือนกับว่าได้พบกับเจ้าของที่แท้จริงของมันซึ่งแน่ๆเลยนะคะว่าอาจจะไม่ใช่ดาวแต่ว่าเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างของดาวนั้นมากกว่าขณะนั้นเองเพื่อนอีกคนนึงก็กลับมาพร้อมกับผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านพักทันทีที่เจ้าของบ้านพักนะคะเห็นท่าทางที่ดาวเล่นอยู่กับแมวตัวนั้นเขาก็โผล่ออกมาทันทีบอกว่าประจิต แล้วเราก็ได้เห็นว่าสายตาของดาวเนี่ยดูอ่อนยนลงไม่ดุดันเหมือนที่ผ่านมาเจ้าของบ้านพักซึ่งได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาแล้วจากเพื่อนของคนที่เล่านะคะที่ไปเรียกเจ้าของบ้านมาก็ได้พูดจาขอร้องให้วิญญาณเนี่ออกจากร่างของดาวอยู่ครู่หนึ่งแล้วในที่สุดค่ะวิญญาณก็ยอมออกไปแต่โดยดีโดยจากนั้นนะคะร่างของดาวก็สุดหวบลงทั้งยืนเพื่อนๆ น, นก็เลยช่วยกันปฐมพยาบาลให้ฟื้นกลับคืนมาเหมือนเดิม ดาวบอกกับกลุ่มเพื่อนๆบอกว่าเธอไม่รู้สึกตัวอะไรเลยเมื่อกลับเข้ามานอนก็หลับไปโดยไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างจนกระทั่งเพื่อนๆนมาปลุกให้ตื่นแล้วก็รู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรจากคำบอกเล่าของกลุ่มเ พ, เพื่อนที่เล่าให้ฟังนั่นเอง เจ้าของบ้านพักได้เล่าให้ฟังนะคะ บ, บอกว่าแมวตัวสวยตัวนี้เนี่ยเป็นแมวตัวโปรดของป้าจิตซึ่งเคยทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่นั่นโดยแกเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อประมาณเดือนหนึ่งด้วยโรคหัวใจแกรักแมวของแกมากแล้วก็เคยมีคนเห็นว่าแกมานั่งเล่นอยู่กับแมวของแกหลายครั้งหลังจากที่แกเสียชีวิตไปแล้ว เจ้าของบ้านพักได้แนะนําให้กลุ่มของเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนที่เล่าเนี่ยออกจากบ้านพักหลังนั้นไปแล้วก็โดยยินยอมคืนเงินค่าเช่าทั้งหมดให้พร้อมกับขอร้องว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังเพราะว่ากลัวว่าข่าวจะดังแล้วก็ไม่มีใครกล้าพักที่บังกะโลของแกซึ่งคนที่เล่าเรื่องนี้แล้วก็เพื่อนๆก็รับปากแต่โดยดีค่ะแล้วก็รีบเก็บข้าวของออกจากบ้านพักหลังนั้นไปอย่างรวดเร็วเมื่อเก็บของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วก็กําลังเคลื่อนรถออกไป คนที่เล่าเรื่องนี้ค่ะก็ได้หันกลับมามองที่บ้านพักอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเขาเห็นผู้หญิงดูท่าทางมีอายุแล้วนะคะมานั่งเล่นอยู่กับแมวที่ระเบียงหน้าบ้านพักหลังนั้นคนที่เล่าเรื่องนี้บอกว่าตกใจมากแต่ว่าไม่กล้าปรีปากเล่าเรื่องที่เห็นเนี่ยให้กับใครได้ฟังเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาแต่ละคนก็ต้องหวาดกลัวแล้วก็อกสันขวัญผวากับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้มามากพอแล้วนั่นเองค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังนะคะเป็นเรื่องเล่นกับผีค่ะอันนี้เกิดขึ้นที่วัดบางนาในาถ้าพูดถึงชื่อวัดบางนาในเชื่อว่าหลายคนคงจะคิดว่าอยู่แถวบางนาหรือว่าสมุทรปราการแน่นอนแต่ไม่นะคะวัดนี้อยู่ในเขตจังหวัดนนท บ, บุรีค่ะอยู่ลึกเข้าไปในสวนซึ่งหากไม่ใช่คนในพื้นที่ก็เรียกว่าเข้าไปไม่ถูกแน่นอน เมื่อก่อนนั้นว่ากันว่าวัดนี้เป็นวัดที่ผีดุมากๆวัดหนึ่งเนื่องจากอยู่ห่างจากหมู่บ้านหรือว่าเขตชุมชนแล้วก็เรื่องราวที่เราจะนำมาเสนอต่อไปนี้เกิดขึ้นในวัดแห่งนี้นี่เองค่ะ ตอนนั้นช่วงประมาณปี 2,523 ถึง 2,524 ขณะที่วัดนั้นยังไม่เจริญเท่าที่ควรหน้าวัดยังเต็มไปด้วยพวกหญ้าแล้วก็สิ่งปรักหักพังส่วนหลังวัดนะั้นไม่ต้องพูดถึงนะคะโดยเฉพาะพวก่วงซุยที่เก็บศพก็วางระเกะระกะกันเต็มไปหมดค่ะบางศพก็มีญาติบางศพก็ล้มหายตายจากกันไปแล้วก็มีก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีใครมาดูแล ในระหว่างนั้นเองนะคะผู้ที่เล่าเรื่องนี้ค่ะได้เข้าไปเป็นเด็กวัดรับใช้พระเนนอยู่ภายในวัดแห่งนี้ซึ่งคนที่เล่าเรื่องนี้บอกว่าอาศัยอยู่กับอาจารย์ก็คือที่กุฏิพระเนี่ยเดียวกันนะคะก็อยู่ใกล้กันกับที่เก็บศพเรื่องผีเขาบอกว่าเขากลัวนะกลัวไม่น้อยหน้าใครด้วยแต่ว่าที่ต้องทนอยู่เนี่ยเพราะว่าความจาเป็นแล้วก็ได้อยู่ที่วัดนี้จนกระทั่งเกิดเรื่อง จากนั้นนะคะเขาก็เปิดแนบออกไปไม่ยอมกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในวัดนี้อีกเลยเพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขาบอกว่าเขาจำฝังใจจริงๆเลย mm hmm. ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ที่เขาไปเป็นลูกศิษย์ท่านอายุยังไม่ถึง30แล้วท่านก็ชอบเล่นในสิ่งที่พิลึกพิลึ ก, ลกแต่ว่าปัจจุบันนี้พระท่านลาสิกขาไปแล้วนะคะคือวันดีคืนดีท่านมักจะไปหยิบเอาหัวกะโหลกผีในป่าช้าหลังวัดมาเล่น บางทีก็เอามาวางไว้หน้ากุฏินักกว่านั้นก็มีค่ะเผลอเอาไปวางไว้ในห้องนอนเลยก็มี มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเอาหัวกระโหลกผีที่ว่าเนี่ยไปวางไว้ในห้องของพระใหม่รูปหนึ่งพูดถึงพระใหม่รูปนี้แล้วก็ต้องบอกว่าท่านเป็นคนกลัวผีชะมัดห้องที่อยู่เนี่ยเป็นตึก3ามชั้นท่านอยู่ชั้นที่3 ส, ส่วนอาจารย์กับผู้ที่เล่าเนี่ยอยู่ชั้นที่2คืนนั้นประมาณตีหนึ่งนะคะขณะที่กําลังนั่งคุยกับอาจารย์อยู่ในห้องก็เห็นพระใหม่องค์นี้ว่ากําลังเดินลงมาจากห้องนอนของท่านบนชั้น3พอมาถึงหน้าห้องอาจารย์ท่านก็หยุดยืนอยู่ตรงนั้น แต่ว่าไม่ได้พูดอะไรและไม่ได้แม้แต่จะยิ้มทักทายด้วยซ้ําคนที่เล่าเรื่องนี้ตอนนั้นยังเป็นเด็กวัดอยู่ก็เลยรู้สึกเอ๊ะทำไมมันเป็นแปล ก, ปกเพราะว่าดูจากหน้าตาของท่านแล้วท่านตาของขวางชอบกลหลังจากยืนอยู่ชั่วครู่ท่านก็เดินผ่านห้องอาจารย์ไปอาจารย์ก็เดินตามไปนะคะก็เห็นว่ามุ่งหน้าไปทางที่เก็บศพซึ่งห่างไปจากกุฏิราว30เมตรท่ามกลางความมืดแล้วก็เงียบสงัดเช่นนั้น ผู้เล่าเรื่องนี้ค่ะที่เป็นเด็กวัดอยู่นะคะถึงกับตะลึงเพราะว่าในวัดนี้เนี่ยใครๆก็รู้นะคะว่าพระใหม่รูปนี้เนี่ยกลัวผีนะฮะอาจารย์ก็เลยตะโกนถามไปบอกว่าไปทำไม แต่ก็ไม่มีคำตอบใดๆออกมาจากปากของพระใหม่รูปนี้หลังจากหายไปสักครู่ก็เห็นพระใหม่รูปนี้เดินออกมาจากห่วงซุยเดินมาในลักษณะตัวแข็งทื่อตาขวางอาจารย์ก็เลยรู้ทันทีเลยว่าพระใหม่รูปนี้ต้องถูกผีสิงแน่ๆแล้วก็เดินตรงดิ่งมาหาอาจารย์ด้วยลักษณะท่าทางประสง์ร้ายทั้งอาจารย์แล้วก็ทั้งเด็กวัด ต, ต่างก็ตกใจกลัวกัน เพราะว่าสายตาของพระใหม่ที่มองจ้องมาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นชิงชงังอาจารย์ก็เลยบอกให้ เด็กวัดเนี่ยนะครับไปปลุกหลวงพ่อจเจ้าอาวาสให้ลงมาช่วยดูเพื่อหาทางแก้ไขพอหลวงพ่อมาท่านก็เลยเอาน้ำมนต์สาดเข้าใส่ร่างของพระใหม่รูปนั้นเพื่อขับไล่ผีให้ออกจากร่างของพระใหม่พระใหม่ก็เลยสุดล้มลงทั้งยืนพร้อมกับส่งเสียงร้องโหยหวนชวนหน้าขนลุกขนพองสักครู่หนึ่งค่ะท่านก็ได้สติหลวงพ่อท่านก็เลยถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พระใหม่องค์นั้นบอกว่ามีผู้หญิงแ ก, แก่พาเดินไปที่ป่าช้าที่นั่นแล้วก็บอกว่าให้เข้าไปทําร้ายอาจารย์เพราะว่าโกรธแค้นที่อาจารย์เนี่ยชอบเล่นพิเรนด้วยการเอากระโหลกมาจากห่วงซุยแล้วก็ต้องการแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่อาจารย์ชอบล้อเล่นนั้นไม่ใช่สิ่งที่สมควรกระทําเล่นเลยนะคะ คืนนั้นทั้งคืนค่ะทั้งเด็กวัดทั้งอาจารย์แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเพราะว่าขณะที่กำลังจะเคลิ้มเคลิ้มเครื่องหลับเครื่องตื่นก็มักจะเห็นผู้หญิงแก่ๆคนนึงในชุดสีขาวหมหนๆใบหน้าก็น่ากลัวนะคะมาปรากฏตัวให้เห็นอยู่ตลอดเวลาจนต้องลุกขึ้นมากรวดน้ำแล้วก็สวดมนต์แผมม่เมตตากันจนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนะคะ หลังจากนั้นมานะคะอาจารย์ของผู้เล่าเรื่องนี้ค่ะก็ไม่กล้าเอากระโหลกผีมาเล่นอีกเลยผู้เล่าเรื่องนี้ก็เลยแกล้งลองถามท่านว่าไม่เอาอีกเหรอท่านตอบบอกว่าไม่เอาแล้วเข็ดแล้วจริงๆให้ดิ้นตายเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งผู้ที่เล่าบอกเรามาบอกว่าไม่มีวันลืมตลอดชีวิตเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการของเราทุกๆคนเลยนะคะวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะยังไงก็ ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปว่าเราจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะ